เช้าวันรุ่งขึ้นพระเจริญมาที่กุฏิสมพานวัดหนองโพอีกท่านเพียรมาถึงสี่ครั้งรวมทั้งเช้านี้หลวงพ่อเดิมไม่ได้ทำน้ำมนต์สึกตริมไว้ให้ตามเคยพระหนุ่มรู้สึกหงุดหงิดเป็นกำลังกระนั้นก็ทำความเคารพด้วยการกราบเป็นจังข้าประดิษฐ์ามครั้งพูดอย่างนอบน้อมว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอรับกล่าวกระผม พระภิกษุเจริญจะมาขอให้พระเดชพระคุณทำพิธีศึกให้โปรดทำน้ำมนต์ศึกให้กล่าวกระผมด้วยเถิดขอรับลุงพ่อเดิมทำเฉยเหมือนไม่ได้ยินที่ภิกษุหนุ่มพูดกูมาจากต่างถิน่นต้องใช้ความพยายามอีกครั้งท่านจึงพูดเหมือนที่เคยพูดว่าวันนี้ยังไม่มีโัรือ ต้องรอพรุงนี้ผู้อ่อนวัยกว่ารู้สึกว่าทนไม่ได้อีกต่อไปจึงพูดเสียงดังหลวงพ่อจะเอายังไงกันแน่กี่วันกี่วันก็พูดว่ายังไม่มีเริกยังไม่มีเลิกแล้วเมื่อไรถึงจะมีเริกภิกษุว 103, ัยร้อยสามตอบเสียงเรียบว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน ในเมื่อเริกศึกยังไม่มีฉันก็พูดไปตามความจริงในคุณบอกโยมยายสั่งมาว่าถ้าเริกไม่ดีอย่าศึกฉันก็ต้องรอให้เริกดีซะก่อนจริงไหมแต่ผมรอไม่ไหวแล้วครับผ้าหลืองมันร้อนจนตัวผมจะไม่เป็นจุนแล้วพระเจริญว่า จะร้อนได้ยังไงอากาศหนาวออกอย่างนี้เอาเถอะถ้าคุณอยากสึกจริงจริงฉันก็จะสึกให้เดี๋ยวนี้แหละภิกษุหนุ่มดีใจจนนึกอยากลุกขึ้นเต้นหากไม่เกรงใจผ้าเหลืองก็ว่าจะลุกขึ้นเต้นสักสามรอบขอพระคุณหลวงพ่อเหลือเกิน ท่านก้มลงกราบภิกษุชาราสามครั้งแต่บอกเสก่อนนะว่าหากเกิดอะไรขึ้นในภายหลังฉันจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นเพราะคุณมาแค่นให้ฉันสึกให้ทั้งๆ ท, ที่เริกไม่ดีฟังคำพูดของสมภารวัดหนองโพพระเจริญก็ใจฝ่อยิ่งเมื่อนึกไปถึงโยมยาย ซึ่งสั่งนักสั่งนาว่าถ้าเลิกไม่ดีอย่าเพิ่งสึกท่านก็ยิ่งหลังเลหลุมพ่อเดิมรู้จึงแกล้งสำทับว่าเอาจะสึกหรือไม่สึกถ้าสึกท่านจะได้ทําน้ำมนไห้เออผมผมยังไม่สึกก็ได้ครับขอรอดูพรุ่งนี้อีกวันท่านรู้สึกผิดหวัง ใจหดหูห่เหี่ยวจึงขออนุญาตกลับกุติสามนเณรเวานั่งดูเหตุการณ์อยู่นึกสงสารพระหนุ่มจึงพูดปลอบใจว่าใจเย็นๆ น, นะครับหลวงพี่วันนี้เลิกไม่ดีพรุ่งนี้อาจเลิกดีก็ได้ยังไงยังไงก็ต้องได้สึกวันยังคำ่ำคำพูดของสามนเณรทำให้ภิกษุหนุ่มใจชื้นขึ้นปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยสึกก็ได้ นนี้้ไดึกแ่ถึงกุฏิที่พักพระเจริญกลับรู้สึกง่วงเหงาหานอนเหมือนที่เคยเมื่อครั้งอยู่วัดพรมบุรีถ้านอนแผ่ลากลางห้องแล้วเสียงคุณหูก็ดังขึ้นอีกพระคุณเจ้าสึกก็ไม่เป็นไรพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณได้หรือยัง ยั่งยาศึกได้ตั้งแต่เป็นเด็กแล้วยมยายสอนทุกวันท่านอยากจะพูดอย่างนี้หากก็พูดไม่ออกนอนหมดเรี่ยวแรงอยู่พักใหญ่ๆก็รู้สึกข้อ ย, ยังชั่วขึ้นจึงลุกมาจัดข้าวของและกวาดถูกุติที่พักจากนั้นก็ไปช่วยกวาดลานวัดจนล่องเตียนหน้าทศนาชมแก่ผู้ที่เข้ามาหาความสงบพระหนุ่มคิดว่า วัดเป็นที่พึ่งทางใจของญาติโยมเมื่อเข้าเข้ามาควรจะได้พบเห็นแต่สิ่งเจริญตาเจริญใจเป็นต้นว่าลานวัดสะอาดสะอ้านมีร่มเงาของต้นไม้ทำให้เกิดความร่มรื่นชื่นเย็นท่านไม่ชอบวัดที่บางกอกเพราะเข้าไปแล้วไม่ทำให้เกิดความรู้สึกเช่นนี้มินำซ้ำบางวัดนอกจากจะสกปรกรกรงุงรังแล้วยังเต็มไปด้วย มูลแมวมูลสุนัขส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปหมดกวาดลานวัดเสร็จเมื่อใกล้เวลาชันเพนพระเจริญกลับกุฏิไปล้างมือล้างเท้าและถือโอกาสส่งน้ำแต่วันในฤดูหนาวเช่นนี้การส่งน้ำตอนค่ำทำให้เกิดทุกขเวทนาด้วยว่าอากาศหนาวเย็นกว่าปกติส่งน้ำเสร็จ ท่านจัดการนุ่งห่มผ้าสามผืนอย่างเรียบร้อยแล้วจึงลงมือฉันพัตหารช่วงบ่ายภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นจึงไปที่กุฏิหลวงพ่อเดิมผู้คนมาเช่าของขลังมากเช่นทุกวันซึ่งแม้จะน้อยกว่าวันลอยกระทงแต่ก็ทำให้สมพานวัดหนองโพต้องเหน็ดเหนื่อยกับการเป่าเพียงดีเพียงดี พระหนุ่มให้สงสัยนักว่าเพียงดีของท่านนั้นคืออะไรกันแน่ตั้งใจว่าจะเรียนถามท่านก็มีอันลืมเสทุกครั้งคืนนี้จะต้องไม่ลืมอย่างแน่นอนสองทุ่มคืนนั้นพระเจริญไปนวดให้หลวงพ่อเดิมเช่นเคยแต่คืนนี้นอกจากหลวงพ่อเดิมแล้วยังมีหลวงตาอุ้ยนั่งอยู่อีกรูปหนึ่ง ว่าหลวงตาอุ้ยนี้สมณเณรเวาแอบเล่าให้ภิกษุหนุ่มฟังว่าแกมาบวช เ, เมื่อแกเคยเป็นลิเกเก่าชอบคุยวอ้ออวดนิสัยอีกอย่างหนึ่งของหลวงตาอุ้ยคือถ้าใครมาโกาหกให้ฟังแกจะชอบมากหัวเราะเอื้อกชอบใจแต่ถ้าใครพูดเรื่องจริงแกจะไม่ชอบยิ่งถ้าเป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับตัวแกด้วยแล้วแกจะโกรธหัวฟัดหัวเวียง นั่งอีกหน้า ง, งอเลยทีเดียวกราบสมผานสามครั้งแล้วพระเจริญไหวหลวงตาอุ้ยหนึ่งครั้งจากนั้นจึงลงมือนวดด้วยท่าทางกระฉับกระเฉงหลวงตาอุ้ยนั่งดูตาปริบ ป, ปริบนึกอยากให้พระใหม่นวดให้ตนบ้างแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยปากด้วยว่ายังไม่คุ้นกันผู้มาจากต่างถิน่นกำลังจะถามหลวงพ่อเดิมเรื่องเพียงดีก็พอดีท่านเอ่ยถามขึ้นสก่อนว่า คืนนี้คุณจะเอาคาถาผู้หญิงอีกหรือเปล่าท่านหมายถึงคาถาทำให้ผู้หญิงรักหลวงพ่อมีอีกหรือครับคนทำหน้าที่นวดถามอย่างยินดีมีเป็นเพะเรเกวียนเชิวละคุณได้ไปกี่บทแล้วละ่ะสองบทครับบทไหนบ้าง หนึ่งอย่าเป็นสองกับพูดจริงทําจริงผู้หญิงรักครับตอบอย่างคล่องแคล่วถ้าเช่นนั้นฉันจะให้บทที่สามคนคางยาวหน่อยคุณเห็นจะต้องจดไปทองแล้วละ่ะผมจะไปหากระดาษดินสอมาได้ครับไม่ต้องหานั่น ข้างที่นอนฉันนั่นท่านชี้ไปตรงข้างที่นอนหลวงตาอุ้ยรีบลุกไปหยิบมาให้พระหนุ่มหมายจะผูกสัมพันธไมตรีได้กระดาษกับดินสอมาแล้วพระหนุ่มเตรียมจดจึงละมือจากการนวดเฟนหลวงพ่อเดิมสั่งว่าอย่าหยุดนวดต่อไปให้พระอุ้ยช่วยจดก่อได้ พระเจริญจึงต้องส่งกระดาษกับดินสอคืนให้หลวงตาอุ้ยพระอุ้ยจ์ของเข้าให้ถูกนาท่านกำชับแล้วจึงบอกคาถาทีละวักหลวงตาอุ้ยจดยิกตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้ายหนลองอ่านให้ฟังสิหลวงตาอุ้ยอ่านด้วยเสียงที่ค่อนข้างดังว่านะโม พุทธายะกะกุสันโธโกนาคมะโนกัตสปโคตโมอริยะเมตยโยพุทธคุณังสารนังคัดฉามิธรมมคุณังสารนังคัดฉามิสังฆคุณังสารนังคัดฉามทั้งหลวงตาอุ้ยและพระเจริญ ไม่เคยเรียนบาลีมาก่อนจึงไม่รู้ว่าคาถาผู้หญิงที่หลวงพ่อเดิมให้จดนั้นที่แท้เป็นคำบูชาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์และไตรสรนคมเป็นกุศโลบายของสมภารวัดหนองโพที่ต้องการให้พระหนุ่มลืมเรื่องการลาศิกขาด้วยการให้คาถาไปท่องทุกวันและจะให้เพิ่มขึ้นทุกครั้งจนท่องไม่หวาดไม่ไหวนั่นเทียว พระเจริญเป็นคนปัญญาดีและมีความจําเป็นเลิศท่านสามารถจําได้หมดทั้งที่หลวงตาอุ้ยอ่านให้ฟังเพียงครั้งเดียวพระหนุ่มนวดใบท่องคาถาไปกระทั่งหลวงพ่อเดิมลหลับหลวงตาอุ้ยอยากจะชวนคุยครั้นเห็นผู้มาใหม่ตั้งหน้าตั้งตาท่องคาถาอย่างเอาจริงเอาจังเลยไม่กล้าชวนได้แต่นั่งดูลาดเหล่าอยู่เงีย บ, เ, ยบเมื่อหลวงพ่อเดิมตื่นอีกครั้ง พระเจริญจึงรีบถามหลวงพ่อครับที่หลวงพ่อเป่าของขลังให้ญาติโยมเขาแล้วว่าเพียงดีเพียงดีนะ่ะหมายความว่าอะไรครับคุณถามทําไมผมอยากรู้น่ะครับเห็นหลวงพ่อเป่าแล้วผมรู้สึกเหนื่อยแทนอันที่จริงหลวงพ่อก็ชรามากแล้วไม่น่าจะต้องตรากตรำถึงปานนั้นพูดเพราะความเป็นห่วง ขอบใจที่คิดเป็นห่วงฉันแต่คุณก็เห็นหนีนาว่าอยา่าโยมเขาศรัทธาอย่างนั้นฉันก็ต้องฉลองศรัทธาเขาอะไรที่พอจะอนุเคระาะห์อย่าโยมเขาได้ฉันก็ต้องทำหากไม่เป็นการละเมิดพุทธบัญญัติผมอยากช่วยลงพ่อ พรุ่งนี้ให้ผมเป่าแทนก็ได้หลุงต่อุ้ยได้โอกาสพูดบ้างรู้ล้วว่าคุณเป่าได้แต่ญาติโยมเขาจะยอมรึเขาอาจกลัวว่าของของเขาจะไม่ครั้งก่อได้ภิกษุชาราติงพระเจริญจึงพูดขึ้นว่าแสดงว่าเพียงดี ของหลวงพ่อคลั่งจริงใช่ไหมครับนี่แหละที่ผมตั้งใจจะเรียนถามเรื่องที่คุณอยากรู้ต้องใช้เวลาอธิบายกันเป็นชั่วโมงโชั่วโมงเจียวละคืนนี้ไม่เหมาะเพราะจะดึกเกินไปถ้าเช่นนั้นพรุ่งนี้หลังฉันเช้าแล้วหลวงพ่อจะกรุณาอธิบายให้ผมฟังได้หรือเปล่าครับท่านต่อรอง ไม่มีสียงตอบจากภิกษุสูงวัยด้วยว่าท่านหลับเสียแล้วท่านเป็นคนหลับง่ายตื่นง่ายอย่างนี้เองเวลาห้าทุ่มหลวงพ่อเดิมก็อนุญาตให้พระเจริญกราบกุฏิได้ภิกษุหนุ่มกราบท่านสามครั้งแล้วจึงลุกออกมาหลวงตาอุ้ยลุกตาม ครั้นเดินพ้นกุฏิหลวงพ่อเดิมแล้วหลวงตาอุ้ยจึงพูดกับพระเจริญว่าท่านนะไปเถอหลวงพ่อเดิมทำไมเถอผมสิผมจะบอกคาถาให้ให้กีบพึ่งด้วยของหลวงพ่อเดิมไม่ได้เรื่องรอกพิกสุหนุ่มรู้สึกไม่พอใจด้วยวาจาของหลวงตาอุ้ยดูเหมือนจะจับจ้วงหลวงพ่อเดิมขณะเดียวกัน ท่านก็อยากได้คาถาของหลวงตาอุ้ยซึ่งแกบอกว่ามีขี้พึ่งให้ด้วยดังนั้นจึงสู้ข่มความไม่พอใจเอาไว้ถามขึ้นว่าท่านจะให้ผมเรียนคืนนี้เลยได้ไหมครับได้สิในมนที่กุติผมเลยว่าแล้วก็เดินนําไปที่กุติของตนความอยากได้คาถาทําให้พิสุท์หนุ่มเดินตามต้อยๆถึงกุติ หลวงตาอุ้ยนิมนต์ภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นให้ขึ้นไปนั่งข้างบนหาน้ําร้อนน้ําชามาถวายจนพระหนุ่มรู้สึกเกรงใจเมื่อท่านเอ่ยปากขอเรียนคาถาหลวงตาอุ้ยซึ่งวางแผนไว้เรียบร้อยพูดขึ้นว่าเมื่อจังนวดก่อนนวดก่อนผมรู้สึกเมื่อยครบไปทั้งตัวเลยภิกษุหนุ่มจึงต้องนวดให้แก่ เวลาผ่านไปสามชั่วโมงหลวงตาอุ้ยหลับไปสามตื่นพระเจริญรู้ว่าตนเสียทีหลวงตาอุ้ยซะแล้วหากก็อดทนนวดให้แก่เพื่อจะเอาคาถาให้ได้ท่านผมขอคาถานี่ตีสองแล้วผู้อ่อนวัยกว่าดเตือนเมื่อหลวงตาอุ้ยตื่นเป็นครั้งที่สามดูท่าทางแกตั้งใจเรียนแบบหลวงพ่อเดิมไปซสทุกอย่างผู้อาวุโสกว่า ลุกขึ้นนั่งด้วยท่าทางกระปรี้กระเปรา่าคาถาของผมต้องใช้กี่พึ่งด้วยแกหยิบตลับขี้พึ่งออกมาจากย่ามที่วางไว้บนหัวนอนเปิดฝาตลับแล้วควักขี้พึ่งออกมาทาปากนี่ต้องท่าให้ถูกวิธีถึงจากรังพระหนุ่มดูอย่างตั้งอกตั้งใจหลุงตาอุย้ยใช้นิ้วชี้ป้ายขี้พึ่ง แล้วทาจากมุมปากซ้ายวนไปทางขวาด้านริมฝีปากบนวนลงมาริมฝีปากล่างปากก็ว่าโอมขี่พึ่งขี่พังสาวนั่งบนตอเสิ้งสาวไม่มาเราต้องไปหามันเองสาวจะนั่งบนตอเสิ้งได้ยังไงล่ะท่านตอมันก็ตำก้นเอาน่ะสิพระหนุ่มแยง้งค่อนข้างมั่นใจว่า ถูกหลวงตาอุ้ยหลอกเสียแล้วท่านไม่รู้อะไรนี่ละคาถายอดคลังเชียวละ่ะผมนะ่ะมีเมียตั้งสามคนเชียวนะแกพูดท่าทางจริงจังน่าบึงเสียด้วยดึกครับแล้วเขาไปไหนกันหมดละ่ะผู้อ่อนวัยกว่าอยากรู้เขาทิ้งไปหมดผมถึงต้องมาบวชไงละ่ะว่างั้นผมไม่เอาคาถาแบบนี้ ขอแบบที่เขาไม่ทิ้งไม่มีหรือพระเจริญต่อรองถ้าไม่ผมก็ไม่ต้องมาบวชอยู่อย่างนี้นะซีหน้าที่บึง้งกลับบึง้งยิ่งขึ้นไปอีกพระหนุ่มเห็นท่าไม่ดีจึงเอ่ยลาตีสองกว่าแล้วผมขอตัวกลับไปนอนละ่ะเชิญแกตอบเสียงห้วนภิกษุเจริญลุกออกมาเดินกลับกุฏิด้วยความหง่อยเหงาอยู่ดีไม่หวาดดี ไปเสีธาตะาอุ่ยแกได้ท่านตำหนิตัวเองถึงกุฏิที่พักพระหนุ่มไม่รู้สึกง่วงจึงหยิบสมุดออกมาจดบันทึกประจำวันท่านบันทึกไว้อย่างละเอียดโดยเฉพาะคาถาบทที่สามที่ได้จากหลวงพ่อเดิมส่วนคาถาของหลูตาอุ้ยท่านก็จดไว้อย่างละเอียดเช่นกัน แต่หมายเหตุไว้ตอนท้ายว่าคาถาเมียทิ้งเผื่อว่าวันข้างหน้าท่านแต่งงานมีครอบครัวแล้วเกิดเบื่อเมียก็จะท่องคาถาบทนี้เขาจะได้ทิ้งท่านไปท่านจะได้หาเมียใหม่ที่สาวกว่าสวยกว่าคนเก่าปะเหมาะเคราะดีท่านอาจหาเมียได้มากกว่าตาอุ้ยจอมคุยโม้คนนั้นอีกเพราะท่านหนุ่มกว่าหล่อกว่า แถมยังมีวิชาความรู้อีกด้วยอย่างเตออุ้ยหรือจะสู้ได้จดบันทึกเสร็จท่านก็ยังไม่รู้สึกง่วงจึงหยิบกระเป๋าใบที่บรรจุเสื้อผ้าคารวาสออกมาเปิดหยิบกางเกงกับเสื้อมาลองสวมไม่ลืมใส่นาฬิกาไวเลอร์และแหวนเพชรเพื่อแสดงความมีฐานะหนุ่มบางม่วงหมู่คงจะไม่มีใครหล่อเหลาและดูภูมิฐานเท่ากับท่าน สึกแล้วท่านจะกลับไปอวดคนบางม่วงหมู่ว่าท่านมีพร้อมทุกอย่างที่คฤหัสถ์พึงมีไม่ว่าจะเป็นรูปสมบัติทรัพสมบัติชื่อเสียงเกียรติยศหรือวิชาความรู้แต่งชุดคารวาสเดินไปมาอยู่ในห้องได้สักครู่ก็เกิดตะขิดตะขวงใจสมณะสัญญาคือความกำหนดในใจว่าตนเป็นสมณะ ได้บังเกิดขึ้นทำให้รู้ว่าตัวเองประพฤติไม่เหมาะกับสมณะสารูปจึงรีบเปลี่ยนจากชุดเครือหัดไปครองไตรจีวรดังเดิมพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงท่านจะได้สึกหรือไม่ยังไม่อาจรู้ได้แต่ปัจจุบันนี้ขณะนี้ท่านเป็นสมณะเพราะฉะนั้นความประพฤติใดที่ไม่สมควรแก่สมณะ จึงมิพึงกระทาเมื่อเป็นสมณะก็ต้องรักษาสมณะเพศไว้ไมิให้มัวหมองคนอื่นก็ติเตียนไม่ได้แม้ตนเองก็ติเตียนตนเองไม่ได้